แนะนำบทอัลมุยาดละบทอัลมูยาดละเป็นบทมาดรฐานมียี่สิบสององค์การที่กล่าวถึงบัญญัติต่งางๆที่เกี่ยวกับการหยารา่าร้างการไถ่บาปที่ถูกกำหนดแก่ผู้ยาพัญญาของพวกเขาการซุบซิบมันญาตในที่ประชุมการนำสิ่งของบริจาคมาเสนอห้ามไม่ให้รักใคร่ศัตรูของอัลลอฮ์นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพวกกลับกรอกและชาวยิวด้วย บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเรื่องการโต้แย้งของนางคาลาบินติซะละบะซึ่งสามีของนางได้ยาจากนางตามประเพณีของชาวยาฮิลิยาในการต้องการห้ามปัญญาด้วยการย่าโดยเรียกนางว่าเป็นแม่นางได้มาหาทา้ารอซูลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺเวสลัมร้องเรียนความอธรรมของสามีของนางที่มีต่อนางโดยกล่าวว่าโอ้ท้ารอซูล เขาได้กินทรัพย์สมบัติของดิชันได้ทำให้ความสาวของดิชันร่วงโรยโลงแล้วเขาก็หยาดดิชันโดยเรียกดิชันว่าเธอเสมือนกับแม่ของฉันถ้ารอซูลีกล่าวกับนางว่าฉันไม่เห็นเธอเป็นอื่นใด น, นอกจากเธอได้ถูกห้ามจากเขานางได้โต้แย้งแก่ท่านรอซูลีสัล ล, ลัลวะอะลัยวะสลัมโดยกล่าวว่าโอ้ท่ารนรอซูลเขาไม่ได้หยาดกับดิฉันแต่เขากล่าวกับดิฉันว่า เธอเสมือนกับแม่ของฉันแล้วท่าระซูลก็ได้กล่าวกับนางเช่นเดียวกับที่ท่านได้กล่าวมาแล้วจากนั้นนางได้รำพันขึ้นมาว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ขอร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในเรื่องนี้แล้วอลัลลอฮ์ก็ทรงตอบรับการร้องเรียนของนางทรงปลดเปลื้องความหนักใจของนางและการร้องเรียนของนาง บท น, นี้ได้กล่าวถึงการบัญญัติการไทบาบของการยาแบบสมัยยาฮิลียะเรื่องการซุบซิบซึ่งเป็นการพูดคุยกันลับๆระหว่างสองคนหรือมากกว่านั้นกล่าวถึงพวกยโฮลด์ที่ถูกสาบแช่งซึ่งพวกเขาได้เข้ามาร่วมในที่ประชุมของท่ารอซูนซัลลลล้ออะไรวะสลังโดยกล่าวคำทักทายด้วยคำทักทายที่เป็นปริศนาโดยผิวเผินและเป็นคำอวยพรและความสันติสุข แต่ซ่อนเลนภายในไว้ด้วยการสาบแช่งกล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนอย่างละเอียดโดยที่พวกเขาได้คบกับพวกยาฮูดเป็นเพื่อนพิเศษพวกเขารักพวกยาฮูดสนับสนุนและความช่วยเหลือและยังนําความลับของบรรดาผู้ศรัทธาไปให้พวกเขาอีกด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงของการรักเพื่ออลอและการเกลียดชังเพื่ออรอซึ่งเป็นมูลฐานของการศรัทธา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของศาสนาดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อการศรัทธามีความสมบูรณ์ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับ Allah All ด้วยพระนามของ a, อ l l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอดดยะนามอผู้ทรงกรุณาผู AH AH ้ทรงเมตตาเสมอดด้ยพระนามอัลล l ้กาทรงตดู้ยพนาของทกาตาอวยพระาของ a ทรงกรุาผงมตาอ้ยระาู้ทรงกรุณ้งมตาอ้วยะนมองกุณา้รเาด้วยระนองทรง้เอยราของสทงงกางมต้ยของ้งกา้เมตอนามของน้ง และนางได้ร้องทุกต่ออัลล์แล้วล้นั้นทรงได้ยินการตอบโจกของพวกเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น าวอบรรดาผู้เปรียบเทียบพัญญาของพวกเขาในหมู่พวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นพวกนางไม่ได้เป็นแม่ของพวกเขาบรรดาแม่ของพวกเขาไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขาเท่านั้นแต่แท้จริงนั้นพวกเขากล่าวคำพูดที่น่าเกลียดและกล่าวเท็จแท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงยกโทษผู้ทรงอาภัยให้เสมอ แล้วบรรดาผู้เปรียบเทียบปัญญาของพวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นและพวกเขาจะคืนสู่ถ้อยคำที่พวกเขากล่าวไว้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นแก่เขาที่ต้องปฏิบัติคือการปล่อยทาสคนหนึ่งก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องกันร่วมหลับนอนนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าถูกเตือนเอาไว้ให้ปฏิบัติ แล้วเราทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาทาสได้ก็ต้องถือสิโนตสองเดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแต่ต้องร่วมหลับนอนกันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือสิโนตได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจำนวนหกสิบคนทางนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของผู้งนั่นคือขอบเขตของอัลลอ์และสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้น <تصفيق> إن الذين ي ح د و ن الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد ن ز ل ن ا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. <تصفيق> บรรดาผูต้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของโกรงพวกเขาจะถูกทำให้อัพยศเช่นเดียวกับบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทำให้อัพยศมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะรับการลงโทษอย่างน่าอัศว์ วันที่อัลลอฮจะส่งให้พวกเขาทั้งหมดฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วองค์จะส่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้อัลลอฮ์ทรงคำนวณไว้อย่างครบถ้วนแต่พวกเขาลืมมันและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما ي ق و ل من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سابسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. า in in จาเห็นดอกคือว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในขันดินการซุบซิบกันสามคนจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์จะทรงเป็นที่สี่ของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นในห้าคนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่หกของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นน้อยกว่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเว้นแต่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบในวันขีดมาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ในโลกนี้แท้จริงอลัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية ا ل ض ُ و ل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقوم. เจ้าไม่เห็นดอกหรู้ว่าบรรดาผู้ที่ถูกห้ามจากการซุกซิบกันแล้วพวกเขาก็กลับไปกระทำในสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเอาไว้และพวกเขาซุกซิบนินทา ก, กันในการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนทานรูลและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาจะกล่าวทักทายไม่เหมือนที่ AH อัลลอฮฺทรงกล่าวทักทายด้วยคำพูดนั้น และพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทำไมอลัลลอฮ์จึงไม่ทรงลงโทษตามที่เราได้กล่าวทักทายมูฮัมหมัดนรกนั้นเป็นการทองเพียงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกให้เข้าไปในนั้นซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ <S <S ่ง วววบลบดววลดุลอีรโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าซุกซิบต่อกันก็อย่าได้สุขซิบต่อกันด้วยการทําบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่ามหอดศูนแต่จงสุขซิบกันเพื่อทําความดีและการยำเกรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพรหมอินนมันนั่ว่ามินอชัยทอัลลิย์ฮจุนัลลัตินามานุวะลิสบิฎอรริฮิมชัยอันอิลลาบิอิบนิลลาห์วะลัลลอฮฺทัลยะตวัค์ค์ลิลมุฮัมมิญฺนุท่าการซุบซิบนินทาการนั้นเป็นการงานของชัยตอนเพื่อมันจะก่อความเสียใจ ให้แก่บรรดาผูา้ศรัทธาแต่มันจะไม่ให้ร้ายไปอย่างใดแก่พวกเขาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมอบความไว้วางใจ من من โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงขยายวงประชุมพวกเจ้าก็จงขยายเพราะอัลลอฮจะทรงขยายที่ให้กว้างขวางแก่พวกเจ้า ในวันเกียมมาและเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ประชุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกยืนเพราะอัลลอจะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่ บ, บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายขั้นแล้วเราทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าจะปรึกษาหารือกับท่าน์ศูลเป็นการส่วนตัวพวกเจ้าจงบริจาคทานก่อนการปรึกษาหารือของพวกเจ้า นั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเจ้าและเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสหากพวกเจ้าไม่สามารถหามาบริจาคได้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ เพวกเจ้ากลัวการบริจาค ก, ก่อนการปึกษาหารือเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้ากระนั้นหรือหากพวกเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นอลัลลอฮ์ก็ทรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้ว ดังนั people, ้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคเสกาดและจงพักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของผงและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงราบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ เจ้ามิเห็นบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงกิ้วเขาดอกหรือพวกเขาไม่ได้เป็นพวกของพวกเจ้าและไม่ได้เป็นพวกของพวกเขาเยโฮลด์และพวกเขาจะสาบานในเรื่องโกหกทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็รู้ดีอยู่อาดดัลลอฮ์ละห์มอาดับันชิดิดะ อินนนาามสู Allah ทรงเตรียมการลงโทษอันสาหัสไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปนั้น ช, ช, ช่างชั่วช้าจริงที่อัลลอขดูไอ้มาล์นั้นจุนเนตันทศดูอันสดีลิอลลอฮฺฟะเลห์มอาดับมุฮีม พวกเขาได้ยึดถืออาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่ป้องกันแล้วพวกเขาก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ดังนั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างน่าอสูนัอนศว์ ทรัพ ส, บสมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยให้เขารอดพ้นไปจากการหลงโทษจากอัลลอ์ไปได้แต่อย่างไดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกโดยพวกเขาจะพมนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ออลินนวันที่อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดแล้วพวกเขาก็จะสาบานต่อพร้อมดังเช่นที่พวกเขาสาบานต่อพวกเจ้าและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่บนสิ่งหนึ่งแห่งความจริงแล้วพึงทราบเถิดว่าแท้จริง พวกเขาเป็นคนโกหก อ, อสวดยชชัยตนฟันซมิรัลลลิซบุชชัยนอ า, าอินนิซชชัยนฮุมุลาิรนชัยนมานร้ายได้เข้าครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการระมึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของชัยตอน เพิ่งทราบเกิดว่าแท้จริงพลพรรคของไซต์ น, นั้นเป็นผู้ขั ด, ด, าาดถุนอจริงบรนดาู้ต่อต้นอัลลอฮ์และรอสูลของเขาชเหล่านั้นจะอยู่ในมู่้ต้อยแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอ์และรอซูลของเขาชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อย อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าแน่นอนข้าและรอซูลของข้าจะมีชัยชนะเหนือกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا. อเจ้าจะไม่พบกลุ่มชนใดจะศรัทธาต่อลรอระหวันปรตโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้อานอหรอและรอซูมของโปร่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือเคอยญาติออาของพวกเขาก็ตาม ชนเหล่านั้นอลัลลอฮ์ทรงบรรันทึกการศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขาและได้ส่งเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยการสนับสนุนของพระองค์และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนส ว, นสวนรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะเป็นผู้พมนักอยู่ในนั้นตลอดก า, อาลอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของอลัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่า แท้จริงพลพรรคของลอ์นันเป็นผู้ประสบความสำเร็จ